ตอนนี้อากาศเย็นสบายแล้วก็ดินก็ชุ่มชําแต่ว่าในอีกหลายที่นะอากาศตกลงข้ามเลยร้อนนะไม่ใช่แค่ร้อนอ้าวนะร้อนเผาเลยแล้วก็แห้งนะจนหญ้านี่กรอบเลยแล้วมันไม่ใช่เกิดขึ้นในแอฟริกานะมันเกิดขึ้นในประเทศทางซีกโลกเหนืออย่างยุโรปนะหลายประเทศเนี่ย สเปนโปรตุเกสอิตาลีเยอรมันอังกฤษเนี่ยตอนนี้กำลังเจอพื้นความร้อนที่รุนแรงมากนะบางส่วนของอเมริกาก็กำลังเจอปัญหาเดียวกันประเทศจีนนี่ก็เจอเหมือนกันนะอย่างเซี ai, ่ยงไฮ้นี่อากาศร้อนมากในการที่ความร้อนเนี่ยหรือขึ้นความร้อนนี่มันเกิดขึ้นกับหลายประเทศพร้อมๆกันนี่ ไม่ใช่เรื่องธรรมดาน ะ, ะมันเป็นเรื่องที่ผิดปกติมากแต่มันกาลังจะกลายเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วเพราะก็ชัวมันเกิดจากปรากฏการ์โลกร้อนนะซึ่งจะเกิดขึ้นทีขึ้นทีขึ้นแล้วก็รุนแรงขึ้นอังกฤษนี่แต่ก่อนนะั้นไม่เคยเจออากาศที่สูงร้อนถึง40องศานะ ปีนี้เจอไปแล้วนะเมื่อวันสองวันก่อนเรียกว่าทำลายสถิติในประวัติศาสตร์เลยก่อนหน้านี้ที่ร้อนสุดร้อนที่สุดนี่ก็สาสิกกว่ากว่าสามสิบแปดนแต่ตอนนี้มันสี่สิแล้วอาจจะขึ้น4ี่ิบสององศาเซลเซียสแต่นี่ยังน้อยกว่าในสเปนนะใน โปรตุเกสอิตาลีอากาศนี่มันสูงกว่าอุณหภูมิมันสูงกว่าสี่สิบสองอนะบ้านเรานี่แค่สามสิบกว่านี้ก็ร้อนร้อนมากแล้วนี่บางช่วงเราจะเคยเจอถึงสี่สิบนะก็คงรู้ได้รู้ได้นะว่ามันร้อนยังไงแต่ว่าไมที่เจอสูงกว่าสี่สิบนะ อย่างประเทศทางยุโรปนี่มันเป็นเรื่องที่รุนแรงมากเพราะไม่เคยเจอและไม่เคยเตรียมการมาก่อนหลายประเทศนี่ผู้คนนี่ไม่รู้จักนะเครื่องปะปะการ์เพราะมันไม่เคยร้อนไม่มีแต่เครื่องทำความร้อนเพราะ ม, ม่มีแต่ความหนาวแต่ตอนนี้นี่พออากาศร้อนแล้วไม่รู้ทำยังไงต้องหลบเข้าบ้านแต่บ้านนี่ก็อย่างมากก็มีแค่พัดลมไม่มีเครื่องปะปะกา คนแก่นี่ก็ตายเยอะนะแล้วคนตายเพราะคลื่นความร้อนเนี่ยมันมันไม่ชัดเจนนะเหมือนตายเพราะแผ่นดินไหวตายเพราะพายุหรือตายเพราะน้ําท่วมเนี่ยมันเห็นชัดๆเลยว่าคนตายกันมากมายแต่ว่าตายเพราะคลื่นความร้อนนี่มันมันไม่ได้เกิดขึ้นปัจจุบันทันทีนะอาจจะ ผ่านไปทักสามสี่วันถึงก็อยตายเพราะหัวใจวายหัวใจหยุดเต้นหรือว่าคนแก่หรือความดันสูงแต่ว่าที่ตายทันทีแล้วก็มีนะตายเพราะเรียกว่าฮีสโตรกเนี่ยตอนนี้ในยุโรปนี่ก็ตายไปหลายร้อยคนแล้วเพียงแค่ไปทำงานนะกลางแจ้งนี่ก็เหนื่อยมากๆก็ถึงตายได้นะยังมีพลังงาน กวาดขยะนะทำงานกลางแจ้งกลางแดดนี่อายุก็ไม่ได้ถึงกับขั้นเป็นคนแก่นะตายเลยนะมันร้อนมากแล้วคนก็ไม่รู้ทำยังไงนะหลบเข้าบ้านบ้านก็ร้อนอ้าวร้อนเผานะบางคนก็ต้องไปไปอาบน้ำนะไปทำตัวให้เปียกนะ แถวน้ำพุนะน้ามีคยมีน้าพุมีสวนสาธารณะก็เอาน้ำเหล่านั้นนะ้ำมาฉลมตัวก็เอาตัวร้อนไปเป็นครั้งคราวแต่ที่มันหนักกันนันคือไฟไหม้นะไฟป่าว่รุนแรงมากเพราะมันร้อนจริงๆนะมันร้อนแบบร้อนผ่าจนกระทั่งไฟนี่ประทุได้ง่าย แล้วพอเกิดไฟลแล้วนี่มันห้ามยากมากเพราะต้นไม้ก็ตายหญ้า ก, ก็แห้งกรอบเป็นเรื่องที่กำลังวิตกกันมากนะเพราะว่ามันก่อความรุนแรงทำให้คนตายนี่ปีนี้อาจจะเป็นแสนก็ได้เดี๋ยวว่าคนแก่จะว่าไปมันก็คนตายนี่มากกว่าน้ำท่วมหรือว่าพายุที่รุนแรงด้วยนะ และที่น่าห่วงคือว่ามันจะดุรแรงมากขึ้นเรื่อยๆเยขามีการตรวจวัดนะเปรียบเทียบระหว่างเมื่อ40ปีที่แล้วกับตอนนี้เพราะว่าเมื่อ40ปีที่แล้วเนี่ยคลื่นความร้อนที่เกิดขึ้นแบบประทุ ก, กันพร้อมๆกันหลายประเทศเนี่ยทั่วโลกเนี่ยโดยเฉพาะทางซีกโลกเหนือเนี่ยทั้งปีมีแค่ยี่สิบันแต่ว่าตอนนี้นี่ ร้อยสี่สิบวันนะเจ็ดเท่านะเพิ่มขึ้นเป็นเจ็ดเท่าในร้อยสีสิบวันนี้ไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นกับประเทศเดียวนะมันเกิดขึ้นในหลายประเทศแล้วเขาก็มารวมๆกั น, นถ้าเกิดขึ้นประเทศเดียวกร้อยสี่สิบวันนี้ตายเลยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าห่วงมากแล้ก็เป็นประจักษ์พยานนะว่าเนี่ยโรคร้อนนี่เป็นปัญหาที่จริงเลยนะ ไม่ใช่เรื่องที่คิดเอาแล้วก็กำลังนะมาถึงตัวเรานะไม่ใช่เรื่องอนาคตแต่มันมาแล้วนะนั่นที่เป็นชนิดเพราะอะไรนะนะก็เพราะว่าเรานะใช้พลังงานน้ำมันเนี่ยหรือฐานนิ่งกันมากนะมันทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ide, ซึ่งก็เป็นก๊าซที่ทำให้เกิดปรากฏการ์โลกร้อน นะท่านั้นไม่พอนะเรายัางไปทำลายป่าซึ่งมันช่วยในการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์สองอย่างเนี่ยเป็นตัวการสำคัญเลยและนี่ก็เป็นแค่ปรากฏการณ์เดียวนะยังมีปรากฏการณ์อีกมากมายนะเช่นน้ำท่วมฝนแรงหรือว่าน้ำทะเลหนุนสูงพายุ ก็ไม่รู้บ้านเรานะต่อไปจะเจอเคลื่นความร้อนอย่างที่เกิดขึ้นในยุโรปหรือเปล่าเพราะบ้านเราก็อยู่ในเขตประเทศร้อนด้วยแต่อินเดียนี่เจอไปนะเต็มๆนี่ทุกปีนะแล้วอากาศนี่อุณหภูมิไม่ใช่แค่สี่สิบต้นๆ น, น, นะบางทีสี่7 4บหกสี่ิบเจ็ดสี่สิบแปดเลยถึงเกินห้าสิบก็มีนะแต่ว่า ตอนนี้มันยังกระจุกอยู่แค่บางจุดนะแต่ต่อไปนี่อินเดียก็จะเจอห้าสิบองศาเซลเซียสบ่อยขึ้นและเมืองไทยแล้วก็คงจะเจอในอนาคตไม่รู้เมื่อไหร่อันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะอันที่เราต้องใส่ใจกันและแตระหนักว่าเราจะใช้ชิตเหมือนเดิมไม่ได้ต่อไปนี้เราจะใช้ชิตเหมือนเดิมไม่ได้ถ้าเราไม่อยากจะให้เกิดความรุนแรงแบบนี้ นะการที่เราต้องช่วยกันนะลดนะปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยการเผาน้้ามันให้น้อยลงนะหรือว่าใช้ถ่านให้น้อยลงเนี่ยสำคัญมากเลยรถยนต์ที่เราขับเคลื่อนด้วยน้ำมันเนี่ยมันต้องใช้ให้น้อยลงต้องมาใช้รถไฟฟ้าให้มากขึ้นหรือว่าการใช้เครื่องปรับอากาศอย่างพร่ำเพรื่อเนี่ย หรือใช้พลังงานแบบไม่ระมัดระวังนี่ก็ต้องลดลงแต่มันก็ยากนะเพราะยิงโลกร้อนยิ่งต้องใช้ต้องเปิดแอร์มากขึ้นพอเปิดแอร์มากขึ้นก็ต้องใช้น้ํามันฐานหินมากขึ้นก็ทําให้โลกร้อนมากขึ้นมันเป็นวงจรอุบาตเว้นแต่ว่าเราจะใช้วิธีอื่นช่วยลดความร้อนเช่นหลายที่นะเขาก็ใช้การปลูกต้นไม้เนี่ยป้นต้นไม้ปลูกเยอะๆนี่มันก็ช่วยลดอุณหภูมิได้นะอย่างน้อยมันก็มีให้ร่มเงา คนที่หนีร้อนเจอแดดจัดจัดบ้างบ้างไม่ไหวก็มาหลบอยู่ใต้ลมเงาช่วยได้เยอะนะหลายประเทศนี่เพราะว่าต้นไม้ที่ปลูกเนี่ยในเขตเมืองเนี่ยมันช่วยลดอุณหภูมิในเมืองได้คนที่ร้อนบ้างบ้างนี่ก็มาหลบอยู่ใต้ต้นไม้หรือว่าต่อไปการปลูกบ้านปลูกอาคารเนี่ยจะต้องทาสีขาวมีหลังคาที่ช่วยกันความร้อน ซึ่งก็ช่วยได้มากนะในอินเดียเนี่ยเขาเริ่มทำกันแล้วในบางเมืองที่เคยร้อนมากๆเนี่ยจนคนตายกันไปเป็นพันเนี่ยเขาเริ่มมีกฎให้ใช้หลังคาที่กันความร้อนเออลดอุณภูมในบ้านได้ถึงสององศานะ2 อ, องศานี่ก็ไม่ใช่น้อยนะและช่วยทำให้อุณภูมิรอบๆเนี่ยลดลงไปได้ เ, เกิมหนึ่งองศานมันก็ลดการใช้ เครื่องปรับอากาศได้นี่เราต้องปรับตัวนะต้องปรับตัวกันมากขึ้นเราต้องรู้ว่าเนี่ยมันคือขสัญญาณเตือนนะสัญญาณเตือนว่ามันจะมาแรงกว่า น, นี้คนเราเนี่ยนะเวลาเกิดปัญหานี่ก็ตื่นตัวแต่พอปัญหาหายไปก็เลิกสนใจอย่างเช่นน้าท่วมเนี่ยน้ำท่วมเนี่ยก็ตื่นตัวกันพักหนึ่งพอน้าลดก็ ไม่สนใจกลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมอันนี้คือความประมาทนะธรรมาชาติก็เตือนเรานะส่งสัญญาณเตือนมามากมายหลายครั้งถ้าเราตื่นตัวตืน่นหรือว่าตูมตามตื่นตุมกันเป็นพักๆโดยที่ไม่ได้แก้ไขปัญหาจริงจังเนี่ยท้าต้องเจอปัญหาที่ร้ายแรงเหมือนคนเราเนี่ยเวลาทำงานมากๆหรือว่าใช้ชีวิตไม่ถูกต้องเนี่ยมันก็จะมีสัญญาณเตือนจากร่างกายเป็นไข้บ้าง ลมหมอนนอนเสือบางวัน2วันเนะีไอตอนที่เป็นไข้ก็เฮ้สนใจนะใส่ใจกับการดูแ ล, และะรักษาสุขภาพาพอไข้าหายพอกลับมาเป็นปกติได้ก็ไม่สนใจใช่ชีวิเหมือนเดิมสุดท้ายร่างกายก็จะส่งสัญญาณแรงขึ้นหนักขึ้นเรื่อยๆจนบางทีเป็นอาม า, าพาตไปเลยหรือเส้นเลืในสมองแตกหรือมีหัวใจวายเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นปุับปรับนะมันมาส่งสัญ ญ, ญาณมาเป็นระลอกร ะ, ะลอกแต่ไม่สนใจหรือสนใจก็ เ, เพราะตอนป่วย พอหายป่วยก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมอันนี้คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับคนทั้งโลกนะกับปัญหาโลกร้อนซึ่งก็น่าห่วงนะลูกหลานเราจะอยู่ยังไงถ้าคนรุ่นเรานะปล่อยปละละเลยกันแบบนี้